คราวนี้ท่านพระอาจารย์เหรียนปฏิเสธว่าท่านไม่ได้มีนิมิตตรงกับหลวงปู่เช่นในกรณีของเสืออีกสองวันต่อมาท่านพระอาจารย์เหรียนจึงเล่าถวายท่านว่าคืนนั้นท่านนั่งสมาธิรู้สึกปลอดโปร่งดีพอสมควรพอออกจากสมาธิแล้วก็นอนแต่แขงขวาในท่าศีห์สายาดเป็นการเปลี่ยนทิริยบทท่านว่า ท่านมีสติตั้งมัน่นแต่กระแสจิตก็ผ่องใสดีแต่กลับปรากฏเหมือนมีเงามืดไหลเข้าสู่กระแสจิตที่ผ่องใสนั้นให้มืดเข้าทีละน้อยเหมือนก้อนเมฆไหลเข้าสู่ดวงจันทร์ฉะนั้นพอท่านบริกรรมถึงนามรูปที่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตากระแสจิตที่มืดนั้นก็ค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยเหมือนเมฆ เคลื่อนออกจากดวงจันทร์หรือจะเป็นพญานาคที่หลวงปู่นิมิตเห็นมาเยี่ยมท่านเรียนหลวงปู่แต่ท่านไม่มีนิสัยวสนาบารมีแบบหลวงปู่จึงพบเห็นได้เพียงแค่นี้ตอนที่32แม่ไก่ผู้มาปรากฏตัวในนิมิตภาวนาวันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กำลังนิเวศอยู่ที่เชียงใหม่ตอนกลางคืน ท่านก็เข้าที่ภาวนาตามปกติปรากฏภาพนิมิตมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่านกริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็มาใสตปีจับต้องกายท่านจูบท่านท่านประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียมาสแสดงกริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้นจึงได้ดูว่าเอาแต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่า เคยเกิดเป็นภริยาของท่านมาจต่ชาติก่อนและเคยเป็นภริยาของท่านมาถึงเจ็ดชาติแล้วความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจจะลืมเลือนได้แน่จะรู้อยู่ว่าพระคุณเจ้าเป็นพิสุสงฆ์ไม่บังควรจะแสดงความอาวรผูพันชนีตนมีกรรมต้องมาบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ได้แต่นึกสมเพศตัวเองอยู่มาก อย่างไรก็ดีเมื่อพระกุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเชนี้อดใจไม่ได้จึงมากราบขอส่วนบุญบารมีในนิมิตนั้นปรากฏว่าลุงปู่ได้เอ่ยเอิงเอว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรเราไม่เชื่อเจ้าแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเชนั้นคอยดูพรุ่งนี้เช้า ต่อท่านไปบินธบาข่าน้อยจะไปจิตจีวรท่านให้ดูตกเช้าหลวงปู่ก็ขอพระออกไปบินธบาศตามปกติทารวาท่านไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไรส า, าระแต่เมื่อเดินบินธบาศเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวอำเภอจอมทองก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่ง ตรงรีดเข้ามาจิตจีวรท่านข้างหลังหมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจเพื่อเป็นสัตว์ตเมียท่านจะต้องเป็นอาบัติจึงช่วยกระไลแต่แม่ไก่ตัวนั้นแม้ถูกไล่ออกไปก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีกคืนนั้นหลวงปู่เข้าที่พิจารณาซ้าก็รู้ชัดว่าไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาเจ็บชาติแล้วจริงๆเป็นที่น่าเวทนา สงสารเป็นอย่างยิ่งที่นางทำกรรมไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นชนั้นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ลุงปู่เคยยกขึ้นมาตักเตือนบรรดาพระผู้เป็นสิธิ์ใกล้คิดให้เห็นชัดถึงผลกรรมสัพเพสตากรรมสักะสะกากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิศารณาสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกัลยาณ์นางวาปาปกังวาตาสะดายาดาภวิสันติเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป ท่านสอนให้ระมัดระวังเกรงบาปเกรงกรรมเป็นที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เคยเกิดร่วมชีวิตกันหากไม่ได้พยายามรักษาจิตประกอบแต่กรรมดีไม่มีศีลเสมอกานไม่มีธรรมเสมอกั น, กนในวัฏฏสงสารอันยาวนานสายทางชีวิตย่อมจะต้องแตกแยกจากกันยากจะหาโอกาสมาพบผ่านกันได้หรือหากพบกัน ก็จะอยู่ในฐานะที่เหลื่อมล้มกันตามผลแห่งกรรมที่ตนได้ประกอบมายาดิสังวาปเตเปีชังตาดิสังและพะเตพลังกัลยาณาการีกัลยาณังป า, ปาปะการีจะปาปะกังบุคคลหวานพืชเช่นไรย่ยอมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วยอมได้ผลชั่วตอนที่33เรื่องน้ำกับหลวงปู่เรื่องน้ำกับหลวงปูน่นี้พวกลูกศิษย์ต่างเคยพบด้วยความอัศจรรย์เล่าสู่กันฟังต่อๆกันมาก็หลายต่อหลายเรื่องจะขอหยิบยกนำมากล่าวเฉพาะผู้ที่พบเห็นเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมและขณะนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ ที่เคารพของประชาชนเท่านั้นปะะนัจจุบันท่านอาจารย์ฟอฟันและท่านอาจารย์จอจานได้ติดตามท่านไิเวกมาถึงกลางป่าแห่งหนึ่งท่านก็สั่งให้ท่านอาจารย์ทั้งสองไปหาน้าท่านทั้งสองออกไปหาตามบริเวณใกล้เคียงก็ไม่พบแหล่งน้ำแต่อย่างใดแม้แต่จะออกไปให้ไกลกว่านั้นเป็นกิโลกิโลก็ยังไม่พบ จึงต้องกลับมารายงานหลวงปู่ด้วยความผิดหวังหลวงปู่บอกสถานที่ที่จะพบน้ำให้พันว่าอยู่ตรงนั้นเองครั้งแรกเมื่อทราบแห่งโคตําำบลใดแน่นอนไม่ใช่ให้เดินรุมเดาหาเป็ดปากไปเะนั้นท่านอาจารย์ทั้งสองก็รีบตรงไปตามเนทางที่ท่านชี้แนะให้หาอย่างไรก็ไม่พบน้ำสถานที่นั้น มีลักษณะตรงกับที่ท่านบอกเล่าทุกอย่างแต่น้ำไม่มีกลับมากราบเรียนท่านท่านก็ยืนยันว่ามีสิน้ำมีแน่นอนครั้งที่สองไปอีกจะเป็นได้ไหมว่าฟังท่านอธิบายทางไปและสถานที่นั้นไม่ชัดน้ำนั้นคงจะซอกซอนซ่อนอยู่ตามแอ่งเล็กๆที่มีโขหินผู้หมายปิดบังอยู่เราจึงไม่ทันสังเกตเห็น คราวนี้คงจะพบแน่แต่ก็อีกนั่นแหละหาเท่าไหร่ก็ไม่มีมากราบเรียนท่านครา้งหลังสุดนี้ท่านยืนยันแน่นแฟนว่าตรงนั้นมีน้ํานแน่ให้กลับไปดูอีกทีครั้สุดท้ายเมื่อท่านอาจารย์ฟอฟันและท่านอาจารย์จอจานกลับไปอีกเพื่อที่เดิมนั่นแหละแต่คราวนี้มีน้ําเต็มจริงของหลวงปู่ทําให้ได้ตักมาใช้ ท่อาจทัานกินอย่างเพียงพอแก่ห ม, มู่คณะอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิหารพบน้ำผุขึ้นเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวถึงมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์อีกองหนึ่งชื่อท่านอาจารย์ยอยักเป็นผู้ประสบด้วยตัวท่านเองระหว่างนั้นหลวงปู่พักอยู่ที่ผาแดนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพระเนร ที่ตามขึ้นไปอยู่ทําความเพียนบนยอดเขานั้นกวันนั้นเป็นวันพระจะต้องลงเขาไปร่วมทําโอุโบสถที่วัดใกล้ท่านก็นําพระเดินลงมาจากผาแดนเวลาเดินไปถึงลําธารแห่งหนึ่งปรากฏว่าน้ำกําลังไหลแรงมากดึกคืนนั้นฝนตกหนักมากและติดต่อกันเป็นเวลานานพูดถึงฝนที่ตกตามป่ายอดเขา เป็นที่ทราบกันดีว่าพอฝนหายอาจจะมีน้ำป่าไหลบ่ามาอย่างรุนแรงหรือบางทีท่า น, น้ำนเล็กๆก็อาจกลายเป็นแม่น้ำขนาดย่อมมีน้ำไหลเชี่ยวกรากบ่าท่วมทนตะลิ่งสองข้างจนกลายเป็นแม่น้ำได้ผู้เขียนเองในการเดินทุดงบนลาดเขาคราวหนึ่งยังเคยพบสะพานหินธรรมดากลายเป็นแผ่นผา ที่มีน้ำตกไหลคลึกโครมภายหลังจากที่ฝนตกเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นคราวนี้ก็เช่นกันทางเดินจากยอดเขาที่จะผ่านลำธา์นั้นไปยังวัดที่จะไปร่วมอุบโบสถได้ถูกตัดขาดไปแล้วด้วยลำธา์นั้นมีกระแสน้ำไหลเ อ, อ่อบ่าล้นตลิง่งจนกลายเป็นแม่น้ำขนาดย่อมกระแสน้ำเชี่ยวขราดไม่มีใคร กล้าข้ามแม่น้ำสะกคนก็น้ําลึกมากประการหนึ่งอีกประการหนึ่งน้ําเชี่ยวมากถึงจะกล้าลอยคอข้ามก็ไม่แน่นักว่าจะสู้กระแสน้ําได้อาจจะถูกพัดพาไปกระทบหินกอกแก่งข้างล่างได้หลวงปู่ไปยืนพิจารณาอยู่เพียงอึดใจเดียวกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกลากจนท่านอาจารย์อยอยักษ์เล่า ว, ว่า เสียงดังสู้ๆก็กลับหยุดกึกลงทันทีท่านตกตะลึงกันหมดต่างเล่ากันว่าเคยได้ยินเรื่องอัศจรรย์ของหลวงปู่มาก็มากมายแล้วแต่ก็ได้พบกับตาตัวเองครั้งนี้เองหลวงปู่ก้าวข้ามลำธาร น, นำไปก่อนเห็นสิทธิ์แต่ละคนยังไม่แสดงอาการใครจะความงวยงงท่านก็เร่งให้ตามท่านไป ท่านอาจารย์ยอยักเล่าว่าท่านเองขณะที่ก้าวข้ามลำธาร น, นั้นยังอยู่ในอาการกึ่งกลัวกึ่งกล้าอยู่กึ่งกลัวว่าภาพที่มองเห็นน้ำหยุดไหลและแห้งผากนั้นจะเป็นภาพลวงตากึ่งกล้าว่าเราก็ศิ์มีอาจารย์เรามากับท่านอาจารย์พระคุณของท่านคงจะคุ้มกันเราได้แน่นอนแต่ว่าน้าที่หยุดไหลเกินี้ หากเรากําลังเดินข้ามอยู่จูๆ่ๆมันพรวดพุ่งลงมาประดุดเทออกจากกระบอกร่างกายเราจะแหลกลานชันใดกว่าจะได้สติกันก็ข้ามลำธารกันมาได้หมดทุกคนและเมื่อเดินพ้นมาเพียงอึดใจเดียวกระแสน้ำก็ไหลบ่าเชี่ยวกลากต่อไปดังเดิมท่านอาจารย์เล่า ว, ว่าท่านอดใจไม่ได้ ต่อมาจึงแอบไปกราบเรียนถามหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์ทำอย่างไรน้ำจึงหยุดได้หลวงปู่ตอบอย่างอารมณ์ดีว่ามีบทบริกรรมนะสิบทบริกรรมอย่างไรขอรับภาวนาไปก็รู้เองท่านตอบตอนที่สามสิบสี่ในความทรงจำรำลึก ข, ของสิทธิจริงอยู่ เรื่องราวของหลวงปู่ในเรื่องความเพียรในเรื่องความอาจจัศจรรย์หูทิศตาทิศเป็นที่รักของพวกกายทิศเหล่านี้เป็นที่กล่าวขวัญเรื่องเลือดฉัระเสริญกันในวงพระกรรมฐานอย่างแพร่หลายแต่ก็อยู่ในหมู่วงพระกรรมฐานรุ่นผู้ใหญ่น้อยนักที่พระรุ่นเล็กจะรู้จักท่านเรื่องนี้พระอาจารย์บุญยริศปันดิตโต ได้เมตตาเล่าความรู้สึกของท่านใน้ฟังท่านจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาปี2493ท่านจำพุทธศักราชได้ดีเพราะเป็นปีหลังงานถวายเริงศพท่าพระอาจารย์มั่นท่านเพิ่งบวชได้เพียง 3, สามพรรษากำลังมีจิตใจคลึกคักอยากออกทุดง เหมือนช้างคึกขนองออกสนามรบท่านกําลังอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยินว่าที่วัดเจดีหลวงจะมีพระป่ามาชุมนุมกันมากท่านก็รีบไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาท่านว่าท่านตื้นตันใจจนน้ําตากลอที่เห็นพระป่ามาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันถึง95องค์เห็นผ้าเลืองอารามนั่งเรีงราย เต็มบนอาจนะสเป็นภาพที่งามประทับใจมากและรู้สึกขึ้นมาทันทีถึงพระพุทธวจนะที่ว่าสมณะนั น, นจัดสนงังเอตัมมังคลมุตตมังการเห็นสมณพทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดท่านก็เที่ยวกระิบถามเขาว่าองค์นั้นใครองค์นู้นใครเขาก็บอกให้ท่าน หลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านอาจารย์ศิมพุทธาจารโอและนั่นท่านเห็นพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ในลำดับแรกๆตัวเล็กๆผอมดำนั่งยินยิ้มไม่พูดกับใครถามว่าเป็นใครก็ไม่มีคนรู้จักมีคนหนึ่งอธิบายว่าไม่สารชื่อรู้แต่เขาว่ากันว่าท่านชอบอยู่กับพวกยาง พวกกระเรียงกินใบไม้ใบยญา ก, ก็ได้กินลูกหนูก็ได้ปกติท่านอยู่ป่านี่เข้าเมืองมาปฏิโมกวันนี้ท่านก็ดึกในใจเอพระอะไรบ้านเมืองเขามีอยู่ไม่อยู่ไพรไปอยู่ป่ากินใบไม้กินลูกหนูทําไมกันเจธรรมวสวนมน์ก็มีการประกาศเชิญพระอาจารย์ ที่ออกมาจากตาขึ้นทำ ม, มาศเทศโปรดญาโยมเชิญองค์นั้นเทศองค์นี้เทศต่างองค์ก็ขึ้นแสดงธรรมกันตามโอกาสที่รับนิมนต์ต่อมามีศีลนิมนต์นิมนต์ท่านอาจารย์ชอบเทศเงียบนิมนต์ท่านอาจารย์ชอบเทศอีกครั้งก็เงียบท่านถามว่าท่านอาจารย์ชอบนะใครปล่อยให้เขาเรียกอยู่ได้ เขาก็ว่าอ้าวก็พระองค์เล็กๆผอมดำที่นั่งแถวหน้าๆเมื่อจะครู่นี้ล่ะท่านคงไปแล้วกลับเข้าป่าไปแล้วกระมังท่านบุญยลิศเล่าว่าท่านฟังแล้วอย่างนึกเอ๊ะทำไมกลับไปเร็วนักท่านไม่ได้คิดอะไรมากท่านก็กลับมากรุงเทพพักอยู่วัดบรมนิวาสพักหนึ่งปัจจุั น, าน ท่านพระอาจารย์ลีธรรมธโรมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสถวายธรรมะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านกําลังปรนิบัติท่านพระอาจารย์ลีวันหนึ่งก็ถามขึ้นว่าเอท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ชอบคือใครครับโอยนั่นลูกศิษย์มีอภิญญาของท่านอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์บุญยริ์เล่า ว, ว่า พอได้ยินคำว่าอภิญยาท่านก็เก็บบาปขึ้นไปเชียงใหม่ทันทีโดยไม่ฟังเสียงใครเลยท่านเจ้าอาวาสยังทวงว่าจวนเข้าพรรษาแล้วจะไปไหนไม่อยู่จำพรรษาที่นี่หรือผมจะไปจำพรรษากับท่านอาจารย์ชอบครับท่านตอบเราะเดี๋ยวได้ถูกหามออกมาดอกก็น่าที่ท่านเจ้าอาวาสจะว่าเช่นนั้นถ้าพระอาจารย์บุญยริ เป็นคนกรุงเทพเคยเป็นข้าราชการเพิ่งลาออกมาเรียกว่าเคยต่อชีวิตชาวกรุงที่สะดวกสบายจูจูก็จะไปทุดงและเข้าป่าไปอยู่กับท่านพระอาจารย์ชอบเสียด้วยท่านยืนยันว่าหามไม่หามผมก็ไปหลับไปถึงเชียงใหม่พบลูกปู่ตื้อาจาระธรรมโมซึ่งเป็นองค์ที่เลิ่ทางทุดง ในปากเขาเหมือนกันทราบว่าท่าพระอาจารย์บุญยริศจะไปตามหาหลวงปู่ชอบท่านก็ทวงด้วยความหวังดีอย่าพึ่งไปเลยรอหน้าแล้งก่อนเถอะตอนนี้อากาศเชิญลําบากมากท่านแวะที่ห้วยนาวเป็นกราบหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนท่านก็ห้ามอีกอย่าไปท่านพระอาจารย์บุ ญ, ญบ ย, ย, ยริกนนากาศก็ไม่ฟังท่านว่าท่านเคยได้ยิน เรื่องราวหลวงปู่ชอบมามากแล้วเหมือนกันจำแต่เรื่องราวแต่จําชื่อหลวงปู่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเห็นองค์ท่านที่วัดเจดีหลวงคืนวันวิสาขบูชาวันนั้นจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าไปกราบคาระวะอย่างน่าจะได้และแถมใจอย่างนึงประมาทท่านเสียด้วยท่านว่าชีวิตทุดงอันยากแค้นลําบากกันดาน ของหลวงปู่คงจะเป็นที่เล่าลือกันทราบกันดีในหมู่พระกรรมาฐานดังนั้นเพียงว่าเจไปอยู่กับท่านอาจารย์ชอบไม่ทันรู้ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดก็จะถูกทักท้วงห้ามปราบทันทีท่านไม่ฟังเสียงใครดันโดนตามไปจนพบหลวงปู่ชอบจนได้ท่านกําลังอยู่ที่ผาแดนท่านพระอาจารย์บุญริศกะให้ไปถึงหลวงปู่ เวลาเข้าภาษาพอดีเพื่อว่าท่านจะได้ไล่เล่าหนีไม่ได้ท่านสารภาพแผนในใจพ่นละว่าท่านได้ยินคิดแต่สามความลำบากยากแค้นกันดานมาแล้วแต่ก็ได้ประสบคราวนี้เองว่าความจริงแล้วมันลำบากยากแค้นกันดานมากกว่าที่คิดมากนักจริงอยู่พอจะบินทบาทจากพวกอย่างที่เชิงเขาได้ หากแต่ว่าอาหารที่ใส่บาตมานั้นพระชาวกุงอย่างท่านเห็นครั้งแรกก็แทบจะอึกมีลักษณะเหมือนขีค้ควายเราดีๆนั่นเองเขาใส่บาตกันหลายอย่างอยู่บอนตํากับน้ำํำยอกเกลือพอป่าเล่มๆบ้างใบไม้กํากับเกลือใส่น้ำคลุกคลิกบ้างบอลตาไม่ใส่เกลือบ้างเกลือกระปิกระรายน้ําบ้าง จะเปลี่ยนเวียนวนกันแรกแรกท่านรู้สึกผืออึดผืออมมองดูหลวงปู่ก็เห็นฉันหน้าตาเฉยท่านกระตองกลั่เกลื่อนฉันไปบ้างนี่เองที่ท่านสอนว่าฉันตามมีตามได้ฉันพอประทังให้ท่านขันอยู่ได้ท่านฉันได้เราก็ต้องฉันได้เวลามีเกลือใช้ก็ยังดีที่มีรถบ้าง บ่อ น, นั้นก็มันๆดีท่านฉันไปหนึ่งเดือนทองรูกถ่ายตลอดหน้าซีดหน้าเสียววันหนึ่งมีไก่มาถวายเป็นอาหารได้ความว่ามีงานพิธีกัรในหมู่พวกยางหลวงปู่ไม่ฉันเนื้อไก่นั้นสั่งว่าเก็บไว้ให้บุญยริศอย่ามาแล้วท่านว่าแล้วก็ให้ไปตามท่านพระอาจารย์บุญยริษมาท่านว่า ก็แปลพอท่านฉันไก่ที่หลวงปู่สั่งว่าเป็นยาท่านก็หายท้องร่วงที่เป็นมาตลอดเวลาหนึ่งเดือนเลยท่านพระอาจารย์บุญริษได้เล่ากิจวัตรที่ปรนิบัติหลวงปู่ระหว่างอยู่ที่ผาแด่นว่าก่อนสว่างต้องไปก่อไฟต้มน้ำโดยต้องทำอย่างเงียบที่สุดไม่ให้มีเสียงเลยดังนั้นจึงต้องไปหาเฟิน มาเก็บสำรองไว้แต่กลางคืนตอนเช้าบนเขามืดมากต้องคอยคามหาฟืนแล้วก็จุดไฟเกิดมาไม่เคยก่อไฟก็ต้องทำผ่าไมา้ฟืนตักน้ำถวายท่านถังน้ำเป็นถังสังกะสีเร่งหูถังจะกระทบส่งเสียงดังต้องเอานิ้วหัวไม่มือสอดขานไว้ค่อยตักน้ำเลอตัวบางที กูถังก็หนีบนิ้วทําให้ต้องตั้งสติระวังตัวไม่ให้เผลอต้มน้าเดินแล้วพอดีใกล้สางประสมน้ำอุ่นไปถวายท่านเดินก็ต้องค่อยๆคอยยองไม่ให้มีเสียงเลยกระโถนนั้นกลางป่าไม่มีใช้ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่แทนเช้าขึ้นต้องคอยนํากระบอกไม้ไผ่ไปเทละลาง ตอนสายและบ่ายก็กวาดใบไม้ภาวดาไปด้วยป่าเล็กบนยอดเขานั้นท่านว่าระยะนั้นพวกป่าไม้เองก็ยังไปไม่ถึงต้นไม้แต่ละต้นใหญ่เมื่อหิมะสองคนโอบไม่รอบหนีไปกินพึ่งกันแถวบริเวณกุฏินั่นเองเสียงบนเพิ่มพรรมทำทําให้ท่านเข้าใจในตอนนั้นเองวลีที่ว่าบนเป็นหนีกินพึ่ง นั่นเป็นอย่างไรเวลามีไปแล้วมนุษย์ก็ได้อาศัยน้ำผึ้งจากรังผึ้งเหล่านั้นมาเป็นกีลานาเภสัตต์ต่อไปพวกผึ้งมาทำรวงรังกันมากในบริเวณนั้นใกล้ๆกับผาแดนมีดอยอีกแห่งหนึ่งชื่อผาเด่งเป็นที่เหมาะแก่ ก, การทำความเพียรเช่นกันท่านเล่า ว, ว่าภาวนาไปบางคีรีนเสียงดังวกโว เหมือนวูดรถไฟหลวงปู่บอกว่าเป็นเสียงพญานาคเสียงดังมากจนอากาศสั่นสะเทือนทีเดียวสั่นเขานั้นเรียวสูงขึ้นไปเวลาเดินจงกรมเงาของเราจะทอดยาวไปทับอีกเขาหนึ่งเหมือนเงากาลังเดินจงกรมอยู่นักเขานั้นเช่นเดียวกันยามบ่ายถ้าอากาศดีแสงแดดจะส่องตามผิวเขาที่สลับซับซ้อนกัน เห็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแสสีชมพูดู ง, งามตายินนักธรรมชาติสงบวิเวกจิตก็อยเวกสงบตามไปท่านว่าหลวงปู่ไม่สอนมากต่างองค์ต่างภาวนาแต่เมื่อท่านคิดอย่างไรบางทีหลวง ป, ปู่ก็ทักบุญริษท์ทำจิตอย่างนั้นไม่ถูกจากที่หลวงปู่ยอมรับสิทธิ์ให้ติดตาม ปยญานี้เองที่ข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสิ่งภายนอกของท่านได้เป็นที่รู้เห็นหรือมีโอกาสที่มีผู้ได้ยินได้ฟังมาคืนสิทธิรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้ประสบกับตาตนเองก็เล่าต่อๆกันไปจึงมีต้นเขาให้สามารถสืบสาวราวเรื่องกลับมาเรียนสัดท่านเจ้าของประวัติได้ครั้งหนึ่ง ในพุทธศักราช 2,490 ท่านปวิเวกที่ปางอย่างนานซึ่งอยู่ห่างจากผาแดนไปทางทิศตะวันตกราว3กิโลเมตรมีสมัมมาเนน้อยชื่อเลื่อนและพระขาวคนหนึ่งที่สมผลติดตามไปด้วยหลวงปู่ไม่ค่อยได้ออกปิณฑบาต ท, ทัดโอตหารเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างสมัมมาเน และพระขาวจึงต่างหาหารกินกันเองคืยหนึ่งมองเห็นที่กุฏิหลวงปู่มีแสงสว่างแดงโรคไปทางกุฏิสว่างจ้าจนบอกไม่ถูกตกใจกันว่าแสงอะไรหรือเกิดไฟไหม้ชวนกันวิ่งไปดูไปถึงที่กุฏิก็กลับมืดไม่เห็นมีแสงอะไรพอกลับออกไปก็เห็นแสงสว่างที่กุฏิอีกกลับไปกลับมา หลายครั้งจนมานั่งงงกันชะว่าตาฝากก็เห็นเหมือนกันรุ่งขึ้นมีโอกาสก็กลาาเปลี่ยนถามท่านท่านจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เทวดามาเต็มหมดมาขอฟังเทศท่านอาจารย์เทศหรือเปล่าครับเทศท่านตอบและราวกับจะรู้ใจสิทธิ์ทั้งสองที่นั่งนิงอาปากตะลึงแต่ใจคงอยากรู้เรื่อง ต่อแทบไม่หายใจท่านก็เลยบอกต่อให้เหา่าเทศเรื่องพระไตรสรคมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้รู้เห็นเรื่องเทวดามาฟังธรรมะจากท่านคือท่านอยู่ที่บ้านไร่ม่วงศรัทธาคนหนึ่งชื่อแดงเห็นแสงสวา่างเป็นสีแดงจ้า ก, กับปาทางทิศที่กุฏิหลวงปู่ตั้งอยู่ก็วิ่งไปเรียกหลวงปู่สามา จุตตโตแห่งวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยมรณาภาพแล้วให้ไปช่วยดับไฟก็คิดว่าไฟไหม้ไปถึงก็ไม่เห็นมีฟืนไฟอะไรแต่ยังเคยกลับมาก็ยังเห็นแสงสว่างอย่างเก่าหลวงปู่ชามาจึงครบร่หลวงปู่มาหลวงปู่ชามายกย่องบารมีหลวงปู่มาท่านละ ว, ว่าท่านเคยประสบ เพว่อองค์เองหลายครั้งนอกจากที่บ้านไร่มวกท่านเกิดไปทุดงกับหลวงปู่หลายต่อหลายแห่งครั้งหนึ่งท่านทั้งสองไปเวกกที่ปูวัวและปูทอกจังหวัดหนองคายท่านว่าเป็นที่ซึ่งมีเทพมีปุ ม, มะเทวดามากเราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นหลวงปู่ชามาท่านบอกแล้วก็เล่ารายละเอียดว่าข่านนั้น ท่า น, นิเวกอยู่ที่ภูทอในถ้ำบนเขาชั้นที่ห้าท่านมีคนติดตามไปด้วยชื่อทิศดมเห็นกฎของหลวงปู่ชอบสว่างมากมีแสงเรืองออกโดยรอบบริเวณกลดแสงสว่างจ้าลาวกลับรางวัลในขณะที่บริเวณห่างอกอกไปนั้นเมื่อสนิททางทิศลมและหลวงปู่ชา ม, มาตกใจเข้าไปดูใกล้ๆเห็นหลวงปู่ชอบ ท่านนอนหลับอยู่พอหางออกมากลับเห็นเหมือนท่านนั่งสมาธิมีรัศมีแพรว์แสงออกจากตัวตื่นเช้าขึ้นมาต่างคนต่างเขาโอกาสเรียนถามว่าเป็นอะไรเพราะอะไรหลวงปู่กลับย้อนถามว่านอกจากองค์ท่านเห็นอะไรอื่นอีกไหมหลวงปู่ชามาและทิโดมสารภาพว่าไม่เห็นเห็นแต่แสงอยู่ในโกรธท่านเลยตอบว่า พวกตามมากขามที่สำนวนอิสานแปลว่าตามไม่ถึงเมื่อคืนนี้พวกเทพมาเต็มหมดแถวนี้เราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นเราเองไม่รู้อะไรแต่ท่านรู้ประโยคแบบข้า่องบนนี้จะเป็นความพิศิศรุ่นน้อง ร, งรุ่นรุ่นหลานบางคนจะต้องรำพึงกันเสมอเพราะจะว่าไม่มีไม่จริง ก็ได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่สอดคล้องกันให้อาจารย์จะอยู่ถ้าทัศอาจารย์คำผองเล่าว่าท่านเคยติดตามหลวงปู่ไปอยู่ที่บ้านม่วงไข่ซึ่งในสมัยรแรกๆนั้นยังลำบากมากที่พักพระเนนอยู่บนเขาต้องลงมาบินทบาทที่บ้านชาวไร่เชิงเขาน้ำใช้น้ำกินก็เช่นกันข้างบนเขานั้นไม่มีบอ่อน้า ต้องลงมาอาบน้ำที่เชิงเขาและช่วยการตัดน้ำขึ้นไปใส่ตุ่มบนยอดเขาทางชันมากเต็มไปด้วยป่าไผ่ซึ่งมีหนามคมคอยกอเกี่ยวสะบงอังสะพระเนนบางทีถึงเลือดออกสิจิความจริงที่เรียกทางนั้นไม่มีเลยต้องเดินหลีกกอะไผ่ลดเเลี้ยวลงมาเองบางครั้ง ใบ่ายที่ตกทับทบกันมองดูเหมือนผืนดินพอเหยียบเข้าก็ยุบลงทำให้พระเนนลื่นทลายลงไหลเขามาถลอกปอกเปิดกหมดได้ความละบากกันทั้งเวลาลงมาบินทบาลและตักน้ำจะไปเรียกชาวบ้านมาช่วยทาเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการทําไร่ไถนาของเขาพระเนนก็อดบ่นกันไม่ได้ท่านได้ยินก็ปลยว่า เทวดาเขาคงจะทำให้หรอกไม่มีใครคิดอะไรมากเย็นวันนั้นฝนตกใหญ่ตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาพายุ ก, ก็แรงเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเหมือนภูเขาจะถล่มตอนรุ่งเช้าัดนเนนเตรียมเรื่องสมบงจีวรกันอย่างธรรมะแมงเพื่อรับมือกับน้ำภัยที่เคยประจนกันมาระหว่างทาง ฝนตกหนักอย่างนี้กอไผยจะร้มระกายกันขวางทางต้องกระโดดข้ามกันแค่ไหนก็ไม่ทราบประหลาดที่สุดที่เมื่อพอเตรียมจะลงจากเขามองลงไปเห็นเป็นทางเดินกว้างตั้งต้นจากวัดบนเขาลงไปจนถึงที่ถักน้ำและบินทะบาทกอไผยหรือไปเป็นกอๆแต่ก็มิได้ล้มลงติดขวางทาง เรากลับมีมือยักษ์มา ก, กวาด ป, ป่ากอบไผ่แวกออกไปเป็นแนวแล้วแยกกอบไผ่เหล่านั้นออกไปวางไว้สองข้างทางนั้นอย่างเป็นระเบียบท่านชี้แจงว่าพญานาคเขามาทำทางให้เหตุนี้เวลาเที่ยวจา่ากทธุดงไปตามยอดดอยบนเชือเขาตามป่าดงพงเลิกนั้นหลวงปู่จึงเตินสิทธ ให้สํารวมระวังไม่ให้ประมาทว่าถ้าหากไม่มีผู้คนจะเห็นหรือได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าที่จิตของมนุษย์พุตุชนธรรมดาจะรู้เห็นได้อย่างมีอีกมากมายนักสิ่งเหล่านั้นท่านว่าแม้จะมีอยู่มากมายเพียงใดแต่สําหรับผู้ที่ไม่เห็นไม่รู้ก็เป็นเหมือนไม่มีทั้งทางที่ความจริงโลกนี้ ไม่เคยว่างเว้นจากมวงศาตร์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดซึ่งมีพบภูมิแตกต่างกันผู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเคยรู้จึงยังไม่ควรปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริงโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติและเพื่อความไม่ประมาทควรจะสำรวมระวังในอิริยาบทต่างๆให้งดงามตลอดเวลาให้งดงามทางกายกิริยาที่ปรากฏภายนอก ให้งดงามทั้งวาจาที่เปล่งสำเนียงออกมาและให้งดงามทั้งใจที่คิดนึกปรุงแต่งอย่านึกว่าไม่มีใครได้รู้ใครได้ยินใจของเราปริจตวิชาด้วยการกำหนิดรู้ใจผู้อื่นนี้หลวงปู่รู้รวด เ, เร็วมากทักจิตของจิตผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดเลยในระยะหลังๆนี้ท่านมกจากปล่อยวาง ไม่ค่อยอยากทักแล้วตอนที่สามสิบห้าในโอกาสหนึ่งที่ไปโปรดจิต ท, ที่เวรจันความจริงเหตุการณ์ที่จะกล่าว่อไปนี้เป็นความที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้แล้วในหนังสือจันทสาโรบูชาอันเป็นชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปุุยจันทสาโรแต่โดยที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่กับหลวงปุยเท่านั้น แต่ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชอบด้วยสมควรจะนำมารวบทผิวไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้คีว่าประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เล่าถึงการได้กลิ่นหอมอันเป็นเรื่องที่ปรรดาศิษย์หลายคนจะยืนยันถึงการได้กลิ่นหอมเหล่านี้เสมอเราไม่ทราบว่ากลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้ชนิดไหน หอมอ่อนหอมประหลาดพระกุณเจ้าหลวงปู่หลุยบอกว่าหอมกลิ่นสินของท่านใช่แต่และองค์ก็จะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันให้เราสัมผัสกันได้หลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวท่านพระอาจารย์จวนกลิ่นดอกไม้กลิ่นมาเป็นสัญลักษณ์เฉพาะองค์ท่านเป็นสัญญาณให้สิทธิ์รับรู้ว่า ท่านกำลังแผ่กระแสเมตตามาให้หรือบางครั้งองค์ท่านก็อาจจะกำลังดูเราอยู่หรือมาดูอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองให้เร่งทำความเพียรภาวนาต่อไปจากหนังสือจันทสารบูชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พินพ์พระจาน ในงานพัชทานเพลิงศกพระอาจารย์หลุยจันถาสาโรในวันเสาร์ที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราช2533นา 183- ถึง186ระหว่างที่อยู่ถ้ำผาปิ้งได้มีพวกกินนครเวียงจันทร์มานิมนต์พระเทระผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยไปทำบุญได้ความว่า พยายามนิมนต์สิงค์ ม, งมีหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่หลุยจันทะสาโรหลวงปู่ชามาอจุตโตหลวงปู่อ่อนญาณาเสริหลวงปู่บุญมาทิตเตเปมโมเป็นต้นความจริงเขานิมนต์หลวงปู่ขาวอนารโยด้วยแต่ท่านมอบให้ท่านพระอาจารย์บุญเพงเขมาพิระโตเดินทางไปแทน เรื่องนี้ได้เรียนถามท่านผู้เกี่ยวข้องในการนิมนต์ที่เวียงจันทร์และผู้นิมนต์ได้เล่าให้ฟังว่าในการเดินทางไปเมื่อปี2513ก็ได้นิมนต์ท่านไปแล้วให้ไปพักอยู่ที่วัดจอมไตรที่เวียงจันทร์ที่ดงนาซอกเป็นเวลาสองอาทิตย์หลังจากที่ทางเวียงจันทร์นิมนต์แล้วมีสุภาพสตรี คนไทยท่านหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นกำลังทำงานอยู่ในองค์การระหว่างประเทศที่เวียงจันทร์ทราบข่าวก็มาข อ, อนิมนต์ท่านและคณะไปทำบุญบ้านเธอเล่าว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชามาหลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนท่านอาจารย์บุญเพลงก็รับนิมนต์เมื่อมาถึงบ้านเธอได้รู้สึกประทับใจ อย่างมากหลายประการโดยเฉพาะเมื่อหลวงปู่ชอบมาถึงหลวงปู่หลุยซึ่งมาถึงก่อนก็มาช่วยล้างเท้าให้และเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบเองหลวงปู่หลุยท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบคุณธรรมสูงกว่าท่านต้องขอปรนนินิพพานหลังจากการถวายจังหันแล้วก็ได้ตามไปที่วัดเธอก็ได้ลองเรียนถามว่าได้ยินข่าวว่า พระกุณเจ้าเหล่านี้ทรงกุณธรรมอันล้ำเลิศอยากจะทราบว่าถ้าเปิดท่านแผ่เมตตามาถึงเราเราจะได้รับกระแสแห่งเมตตานั้นหรือไม่พระเอิญเธอก็เป็นคนที่ช่างเจรจาสักหน่อยจึงกล่าวต่อไปเป็นเชิงแตดพอว่าหลวงปู่มีลูกจิตมากจะแผ่เมตตามาถึงได้อย่างไรจะต้องเจือจาน คนมากมายจะมาถึงได้ครบทุกคนก น, นั้นหรือหลวงปู่หลุยเป็นผู้ตอบว่าถึงสิเมตตาต้องมาถึงแน่แต่หลวงปู่ชอบย น, นยิ้มไม่ได้ตอบว่าไรเธอแล้วว่าในคืนนั้นเธอและสามีก็เข้าห้องพระภาวนาต่างคนต่างเข้าที่ภาวนาจุดทุกทเทียนบูชาพระแล้ว นั่งสมาธิต่อไปไม่นานก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้ปา่ารลบเต็นไปทั้งห้องหอมจนทนไม่ได้ต้องออกปากถามกันได้ความว่าทั้งสามีและภรรยาต่างได้กลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นอธิบายไม่ถูกเช่นกันรุ่มขึ้นพอไปกราบที่วัดจอมไพรเธอก็ตอบว่าว่าไหนว่าจะแผ่เมตตามาให้ลูกหลาน ไม่เห็นได้รับไม่เห็นมาหาเลยหลวงปู่หลุยเป็นองค์ที่ตอบแทนว่าทำไมจะไม่ไปไปแล้วถามว่าไปอย่างไรไม่เห็นองค์มาไม่เห็นตัวหลวงปู่นั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าไปใครจะเชื่อท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่าก็าไปแล้วนะสิไปด้วยกลิ่นหลวงปู่ชอบก็ไปไม่ได้กลิ่นหรือ หอมกลิ่นสินของท่านได้ยินเช่นนั้นเธอและสามีก็ต่างมองตา ก, กันด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะการที่ได้กลิ่นดอกไม้ป่าหอมเต็มห้องนั้นไม่ได้เคยพูดกับใครนอกจากกำพึงกันระหว่างสองสามีภรรยาก่อนจะไปกราบท่านท่านก็กราบตอบเช่นนี้และตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ได้กลิ่นหอมตลอดมาและทราบว่าถ้าเป็นหลวงปู่หลุย จะหอมกลิ่นหนึ่งท่านหลวงปู่ชอบจะหอมอีกกลิ่นหนึ่งเวลาท่านอบรมท่านก็แนะบอกให้รักษาศินแปดเธอบอกว่าทําไม่ได้ทาราชการไม่มีวันเวลาที่จะดูแลตนเพื่อรักษาศินแปดให้บริสุทธิ์ได้หลวงปู่หลุยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาศินอุโ บ, บสถเฉพาะวันพระก็แล้วกันวันหนึ่งอยู่เวียงจันทร์ไปเที่ยว วันนั้นไม่ได้เป็นวันที่รักษาศีลแต่กลับหอมดอกไม้หอมชื่นใจไปหมดหรือว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีขายในท้องตลาดเพียงนึกถึงท่านก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้เธอแล้วว่ากลิ่นในครั้งก่อนๆ น, นั้นเป็นกลิ่นดอกไม้สดแต่เดี๋ยวนี้ดูจะปนกลิ่นกระเจะด้วยระยะนั้นหลวงปู่ชอบยังไม่อาภาต ท่านเทศให้ฟังอยู่ด้วยจำได้ว่าเทศที่ท่านเทศให้ฟังนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุกคนทาจิตให้สงบท่านเทศอยู่เป็นเวลาถึงสิบห้านาทีแล้วก็สรุปว่าความสุขจะเท่ากับจิตสงบเป็นไม่มีเอวังง่ายๆเช่นนี้ในระยะที่พักอยู่ที่เวียงจันทร์นอกจากท่านจะพักกันที่วัดจอมไตรแล้วก็พัก ที่นาคำน้อยแต่ก็มีการนิมนต์ไปภาวนาที่ถ้ำผาพร้าด้วยเธอว่าเธอรู้สึกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่ทุกองค์โดยเฉพาะวันนั้นจวนจะถึงกําหนดกลับแล้วเพราะท่านได้มาพักอยู่หลายอาทิตย์จึงไปกราบหลวงปู่ชอบเรียนถามว่าจะกลับเมืองไทยอย่างไรท่านบอกว่ากลับเครื่องบินสามีของเธอ ที่เป็นผู้กลับไเรียนถามก็งงว่าจะกลับอย่างไรเพราะถ้าจะกลับโดยเครื่องบินจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เวียงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลที่หลวงปู่และคณะกำลังพำนักอยู่มากเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรก็ในเมื่อตำบลที่คณะท่านพักอยู่นั้นอยู่ตรงข้ามกับฝั่งไทยพอดีเพียงข้ามแม่น้ําโขงก็จะถึงเมืองไทยการเดินทางกลับทางเรือ ดูจะเป็นการสะดวกที่สุดอีกประการหนึ่งถึงจะไปเวียงจันทร์แต่เครื่องบินไม่มีทุกวันตัวเครื่องบินก็ยังไม่ได้จองจะทำอย่างไรเมื่อท่านบอกว่ากรับเครื่องบินจึงคิดว่าไม่มีทางจะทำได้แต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาปรากฏว่ามีผู้นำเสนอจะนำเครื่องบินมาส่งให้เป็นเครื่องบินของทางราชการ ซึ่งไม่มีกำหนดเวลาใดตกลงพระเก้าองค์ก็ขึ้นเครื่องบินมาสามีของเธอได้ติดตามมาดูแลท่านมาในเครื่องบินลำนั้นด้วยขณะที่นั่งอยู่ในเครื่องบินได้กราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าอยากจะขอของดีไว้ให้พวกที่เขามาส่งนี้ด้วยเช่นพวกนักวินและเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องบินได้มีไว้คุ้มครองตัวเพราะต้องปฏิบัติงาน เสี่ยงอันตรายตลอดเวลาหลวงปู่ชอบท่านก็ยินยินแล้วก็หลวงลงไปในย่ามซึ่งย่ามนั้นมองเหมือนไม่มีอะไร